ท่า น, นบอกว่าความเป็นเด็กก็มีความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นที่สุดใช่ไหมความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีชาราเป็นที่สุดชาราก็มีมรณะเป็นที่สุดเนี่ยนะก็มันก็มีที่สุดที่สุดที่สุ ด, สดไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆบอกว่าโลกเนี่ยจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนเนี่ยนะไม่มีใครมีอํานาจที่เรียกว่าจะขออยู่ตลอดไปเนี่ยนะก็มีแต่ฝรั่งคนนั้นนะ่ะที่ว่า ตายแล้วก็จากกันไม่ได้ให้ทำลงติดแอร์คอนดิชันลบ60องศาใช่ศพจะได้ไม่เนา่าแล้วก็ทำอีกควัางหนึ่งนะจะได้ไปนอนอยู่ด้วยกันคนละคนละห้อ ง, น, งนะนวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าจะได้เกิดมาใหม่หเกิดมาใหม่ร่างเก่านี้ทุกข์มากเลยลำบากขนาดไหนไม่ทราบ พวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยน่าการุณาด้วยเหตุผลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถึงเขาจะยังไม่ชาราสัก์เท่าไหร่แต่ว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักเอ็มเป็นธาแห่งตันหาังนั้นคนที่ไม่มีส ม, มถะอยู่ในใจเลยนะเป็นคนที่หิวโดยมากเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอารมณ์หิวไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวก็ติดโน่นติดนี่อยากโน่อนอยากนี่โ้หนันมั น, ม, นมันหิวจริงๆนะมันกระหายนะมันเหมือนคนกระหายเคยสังเกตห ให้นั่งอยู่นิ่งๆสบายๆมันทําไม่ได้อ่ะลักษณะของตัรหาเป็นอย่างนั้นจริงๆมันวันไหวนะตัวเตาตัวตันหาเนี่ยธรรมชาติของเขาหวันไหวแล้วเขาก็กระหายอยู่ตลอดเวลาเหมือนดื่มอะไรสักอย่างที่มันอิ่มไม่เป็นอ่ะนะตันหาเกิบเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไปเรื่อยของมันอ่ะนะทันไม่มีใครถมตันหาเต็มนะที่ที่พระองค์บอกว่าถึงให้ภูเขาทองทั้งโลกนะ การหาเขาไม่เต็มไม่ไม่เต็มเขาบอกว่าพระเจ้าโกรับพญะเนี่ยปกครองอะไรนะแคว้นกุรุใช่ไหมกินเดลีทั้งเมืองเสร็จแล้วเนะี่ยก็ยังบอกแต่ถ้ามีใครมาสมุดฝากโน้นนะมีแล้วก็ผู้หญิงปกครองด้วยท่านไปตียวได้ใช้กองทหารไม่กี่กองอกไปเตียวได้เลยนะจะยกกองทัพไปเตียวเลยทันทีว่างั้นถ้ารู้ข่าวมันไม่หินจริงๆอนะก็อังกฤษสมัยที่ยึดครองโลกเนี่ยอังกฤษอยู่ที่ไหน ห่างจากนี้มั้งนั่งเครื่องบินนั่งเป็นสิบชั่วโมงมั่งสิบกว่าชั่วโมงกว่าจะมาถึงไงไหมขนาดนั้นอะ่ะตารอนตารอนเนี่ยเรือเดินสมุทรมานะใช้เวลาเป็นเดือนด้วยกว่าจะมาถึงเนี่ยมาเที่ยวตีเขาทั่วไปหมดอ่ะนะมันหิวจริงๆอ่ะนะกรหิวรุ่นมหากินถึงเอเชียเนี่ยนะมาเที่ยวตีเขาเต็มไปหมดเลยนั้นตัญหานี่มันพร่องอยู่จริงๆอ่ะนะมันมันหิวมันไปเที่ยวหาไปเรื่อย หาแล้วก็ไม่มันก็เหมือนกับอิ่มะนะแต่ว่าพอได้บริโภคเข้าหน่อยมันไม่เอาไม่พอแล้วไปต่อลักษณะของตันหาที่หัวหิวเขาเป็นอย่างนั้นพรรศาทั้งหลายเนี่ยน้าการุณาด้วยเหตุผลสี่ประการเนี่ยนะรวมๆยอ่ยอๆมานะโลกอันชารานำไปไม่ยั่งยืนโลกไม่ตันใหญ่เฉพาะตนโลกจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นข้าแห่งตัหาโลก พร่องอยู่เโลกนะอัญชารานําไปไม่ยั่งยืนโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งกวงไปก็คือชรามรณะเอ่อชราพยาธิมรณะเป็นทุกข์สัตว์ใช่ไหมโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุแห่งตันหาเป็นสมุทัยสัตว์ด้วยเหตุผลที่ข้าพเจ้าได้ฟังอย่างนี้ข้าพเจ้าจึงออกบวชเหมือนกันที่ระรัฐบาลกล่าวใช่ไหมที่ระรัฐบาลกล่าวว่าถ้า ท, ท่านจึงออกบวช จะได้ประพฤติพรหมจรรย์เ hmm. พื่อให้พ ouais. ้นจากสิ so so ่งเหล่านี้สักทีหนึ่งเนะเมื่อสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็พระองค์จึงแสดงธรรมให้สงเคราะห์สัตว์นะไหมสงแสดงธรรมสงเคราะห์สัตว์เพื่อเพื่อสัตว์ทั้งหลายจะได้พ้นจากสี่ประการนี้สักทีนะพระองค์ก็แสดงธรรมอันนั้นก็คือกรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายแต่เราไม่รู้กรุณากันสักเท่าไรกรุณาตัวเองสักเท่าไหร่นะ คนไทยการุณาเยอะแต่ว่าเมตตากับมุทีตาเฉพาะมุทีตานี่กันดาร ม, มากนะแห้งแรงแต่การุณามีมากนะถ้าได้ข่าวว่าประสบทุกนะอย่างเหมือนในปีที่แล้วที่น้ำท่วมเหมือนนะโอ้คนเนี่ยขับรถไปช่วยรถติดเป็นกิโลเลยนะคนไปช่วยมากจริงๆอันนี้นี่คือการุณาที่มีต่อกันแต่ถ้าเข้าได้ดีนะอันนี้ไม่ค่อยชอบถ้าเข้าตกทุกเนี่ยเ อ, อเห็นใจมากการุณามาก ก็ก็มีนะเคยคิดไหมว่าในยุคถ้าสัตว์เนี่ยเข้นฆ่ากันอะไรนะสัตว์ทันตระกับใช่ไหมตายด้วยอาวุธสาตราโดยมากตกนรกสมัยใดที่สัตว์ตายด้วยความหอยหิวอดอยากอาหารโดยมากตายเกิดเป็นเปรตถ้าตอนไหนป่วยกัน้ะตายโดยมากเกิดในสวรรค์ถ้าป่วยโรคภัยเบียดเบียนกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะโดยมากเกิดในสวรรค์ทําไมรู้ไหมมันเห็นใจกัน คนไข้ด้วยกันมันปรับทุกกันมีเมตตาต่อกันอะไรต่อกันก็เลยเกิดในสวรรค์มันช่วยเหลือกันใช่ไหมคนป่วยกับคนป่วยมันช่วยเหลือกันนะ่ะนะก็เลยสงเคราะห์กันสงสารกันก็เลยไปสวรรค์เมืองกันถ้าเป็นพวกอะไรนะก็สรุปว่าถ้าตายด้วยสงครามโดยมากตกนรกตายเพราะอดอยากห้อยหิวโดยมากเกิดเป็นเปรต ถ, ถ้าตายเพราะป่วยไข้โดยมากเกิดในสวรรค์เพราะกรุณาต่อกันนะ ก็ช่วยเหลือกันนะนะ่ย mm hmm. เขามาชอบคําของโยมคนหนึ่งเนะี mm ่ยเขาเป็นด็อกเตอร์สายเศรษฐศาสตร์เนะี่ยเขาบอกว่าที่กรุงเทพนะไม่ใช่ตึกหรอกเขาว่างันแท่งชนิดหนึ่งแท่งหนี้หลังไหนที่ไม่มีหนี้นะในกรุงเทพเนี่ยนะถามว่าถึงครึ่งไหมถึงครึ่งไหมคิดวก็ถึงไม่ถึงนะรถนะหนี้วิ่งได้นะถ้าคิดให้ดีจเนี่ยนะ คนที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยที่ท่้นเขาผ่อนส่งเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่มากโดยมากนี่ก็คือวิ่งก้อนนี่มันวิ่งได้เนีถ้ามีแล้วศูนย์ด้วยนะถ้าเป็นเจ้านี่แล้วนี่ศูนย์นี่หนักใจมากเลยนี่ก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยน่ากรุณาจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขามีนักวิจัยคนหนึ่งเขาพูดถึงว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยนะประเทศ สองประเทศใหญ่ๆนี่จะเป็นทะเลทรายพอเงี้นคือประเทศอินเดียกับประเทศจีนก็บอกว่าเนื้อที่จะเป็นทะเลทรายเนี่ยเป็นพันไร่อเยอะมา ก, กนะประชากรเนี่ยประมาณหนึ่งพันล้านคนจะอดอยากในเรื่องอาหารแต่ว่าประเทศไทยก็หนึ่งในนั้นด้วยที่ที่เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นทะเลทรายเนี่ยสูงมากครับแต่ถามว่าถ้าไม่เร่งปลูกเกษตรอะไรให้มันดีขึ้นนะไม่เร่งปลูกต้นไม้เนี่ยเปอร์เซนต์เนี่ยสูงมาก เพราะว่าอย่างแถวนาแถวอีสานแถวอะไรเนี่ยนะมันเป็นทรายไปเกือบหมดนะเนี่ยมันเป็นทรายไปเกือบหมดนั้นเวลาฝนตกมาทีถ้าน้ําท่วมทีมันจะซะหน้าดินไปมันจะเหลือแต่ทรายนั้นก็อนาคตต่อไปก็คือทะเลทรายบอกประชาชนประมาณพันล้านเนี่ยจะกันดารอาหารมากในอีกประมาณยี่สิบปีข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะนั้นก็ใครที่จะมาเกิดยุคหน้าอีกก็ระวังกันแล้วกันว่า ให้ทานไว้เยอะๆไม่งั้นเดือดร้อนเนี่ยของเราจะอยู่ในพันล้านนั้นหรือเปล่าไม่ทราบเพราะประชากรโลกมันก็มาห้าหกพันล้านเองคนระับห้าหกพันล้านถ้าอดอาหารไปประมาณพันล้านเนี่ยมันจะเหลือสักเท่าไหร่เนี่ยนะโอแสดงว่าหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะก็บอกว่าที่มันอย่างอินเดียเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นทํานา ม, มาขี่พันปีแล้วอ่ะหน้าดินมันก็หมดแล้วแล้วต้นไม้เนี่ยมองเป็นอนารัศมีเป็นกิโลเนี่ยจะหาต้น พอจะนั่งร่มเงาบางทียังยากเลืเนี่ยบางแห่งเนี่ยบางบางแห่งเนี่ยโดยเฉพาะแถวน า, นารันทาราจะคึกอะไรแถวนั้นเนี่ยต้นไม้แทบไม่ค่อยมีเลยนะต้นไม้หายากแห้งแล้งมีแต่ท้องนาแม่แนะนําเนรัญชาราก็บอกแม่ทรายเนรัญชาราอย่างเงี้ยนะมีแต่ทรายอย่างเงี้ยก็ในนี้ก็โยมก็มีไปหลายคนหลายครั้งเนี่ยมากก็ดูว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทุกทุกจริงๆที่ แต่ละคนเนี้ก็มีปัญหาเป็นของตนของตนอ่ะนะมีทุกเป็นของตนของตนมีแม้กระทั่งทุกอย่างภายนอกดีหมดนะเดี๋ยวทุกภายในยนะร่างกายสุขภาพไม่ดีบางคนอะไรดีหมดนะเป็นคนที่ตกใจริดตกกังวลไปเรื่อยคิดไปเรื่อยเนี่ยนะแต่ละคนก็หน้าการุณาเป็นของตนของตนจริงๆ ก็เท่าที่เคยรู้จักนะไม่ค่อยมีใครมาเล่าว่าช่วงนี้กุศลเจริญมีความสุขมากเลยนะไม่ค่อยได้ยินนอนจะมีบุญหูได้ยินสักครั้งหนึ่งที่เหลือมีแต่คนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งก็จะได้เลย้ย แ, แสดงว่าไม่เคยยากจนเลยนะเนี่ยทุกแนี่ยโอ้โหรวยจริงๆมันก็สัตว์ทั้งหลายก็น่า ก, การุณานะของเราเคยมาเจริญไม่ว่าเรานี่น่าการุณาตรงไหนบ้างเนาะ ก็มีมีไม่ใช่น้อยนะที่ที่ทุกข์นะอย่างเมื่อไม่กี่วันนี้ที่รับฟังว่าโยมคนหนึ่งเนี่ยเขาคือหลายคนอ่ะนะเขามีสถานที่แห่งหนึ่งอะ่ะมีมีพนักงานเนี่ยจะไปประชุมที่จังหวัดหนึ่งก็มีคนคนหนึ่งอ่ะนะเขาก็บอกว่าไปรถกับเราสิอะไรเงนี้ยก็ไปกันติดรถเข้าไปทีนี้รถคันนั้นมันติดยาบ้าไปด้วย เป็นหมื่นเม็ดเนี่ยนะนพวกที่ไปนั่งรถอาศัยไปด้วยก็เลยหางเลขทั้งหมดเลยนะที่นี้ก็พวกที่ขออาศัยไปนี่ก็เสียถูกง็ดทรัพย์สินไปหมดแล้วกลับมาก็เป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่นะี่อายุสี่สิบห้าสิบอะไรกันเนี่ยกลับมาก็ไม่ไม่กล้าบอกสามีบอกลูกให้าไม่กล้าเล่าให้ลูกสามีฟังพอมาเก็บความทุกข์แล้วก็เนี่ยจะเตรียมสะข่าตัวตายแล้วว่างั้น เพราะว่ามันมันเป็ น, นหมื่นเม็ดนะถ้าสักครึ่งเม็ดก็ยังชุดเป็นหมื่นเม็ดเลยนะอ่าเป็นเป็นเป็นแขกที่มาพักโรงแรมอ่าแล้วก็เขาคือพวกพนักงานเรื่องเนี้ยเรื่องเกิดในโรงงานคือโรงแรมแห่งหนึ่งเขามีพนักงานใช่ไหมพนักงานที่เขาจะมีการสงร่งไปดูงานที่นั่นที่นี่อะไรตามเรื่องตามระเบียบของเขาอะนะไปประชุมที่นั่นที่นี่ทีนี้พอจะไปประชุมจังหวัดหนึ่งก็มีคนแขกเนี่ยจะไปจังหวัดนั้นพอดี อันนี้เขก็เลยชวนพนักงานโรงแรมเนี่ยติดรถไปด้วยพนักงานก็ดีเหมือนกันทุ้นค่ารถทัวร์ไปเยอะก็เลยสบายเลยนี่กลับมาก็นอนไม่หลับกันทีนี้วิธีแก้ปัญหาของคนยากทั้งหลายเขาแก้อย่างไง ร, รู้ไหมไปซื้อเหล้ามาแล้วก็นั่งปรับทุกกันเ อ, อ้เนี่ยวิธีแก้ปัญหาอานะเนี่ยเหล้าขายดีขึ้นนะเนี่ดีใจก็กินเหล้าเสียใจก็กินเหล้าแล้วก็ปรับทุกกันนะนี แล้วก็เมาแอบปรึกษาตับสารทุกกันเนาะมันเดือดร้อนถึงคนที่มารับเราด้วยสินั่นนะกนะ็บนั่นเดือร้อนถึงพ้าหมดนะเชื่อไหแล้วก็สรุปว่ากรุณาเนี่ยนะยังจิตที่เรียกว่ายังสาธุชนให้หวั่นไหวทายในใจเนี่ยนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยปัญหาของแต่ละคนแต่ละคนถ้าเราไปนั่งฟังเขาในแต่ละคนแต่ละคนนะวะ่าตะ่ไม่น่าเกิดจริงๆ คือสภาพทั้งหลายที่ที่เราไม่ค่อยรู้สึกทุกข์คือเราไม่ได้ไปคิดไปรับภาระในเรื่องนั้นนะแต่ถ้าเราจะต้องไปรับภาระต้องไปอยู่ในนะตําแหน่งนั้นตําแหน่งนั้นเหตุแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นถ้าเห็นคนงานก่อสร้างเนี่ยถ้าเราจะต้องไปอยู่แบบนั้นสภาพแบบนั้นทั้งชีวิตเราจะเป็นยังไงซึ่งวัฏฏะอันยาวไกลสําหรับผู้ที่ยังไม่พ้นจากวัฏฏะเนี่ยนะสรุปว่าจะต้องเข้าไปรับภาระทั้งหมดที่เราเห็นเราได้ยินเนี่ย ความทุกข์ทั้งมวลของสรัรพพสัตว์เนี่ยนะนั่นคือสิ่งที่เราจะไปรับข้างหน้าถ้าถ้าเรายังไม่ออกจากวงจรอันอนี่นะอยู่ได้ทุกตำแหน่งอะไม่รู้ว่ามันจะซัดไปอยู่ตรงไหนคือยะว่าเราเทั้งหลายเลยแม้แต่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะกลับสุดท้ายยังเกิดเป็นจันทาร์เรียกว่าเป็นจันทารีนะอย่างเช่นมาตังค่าบัณฑิตเนี่ยมาตังค่าบัณฑิตนี่เรื่องเกิดในกลับนี้เนะี่ยนั้น กลับสุดท้ายนะทั้งๆ ท, ท, ที่สร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนกลับมาแล้วเนี่ยขนาดนั้นยังเกิดเป็นจนทานเลยจะกล่าวไปยายถึงคนอื่นท่า น, นถ้าหากว่าเราทั้งหลายยังออกจากทุกข์ไม่ได้ภาระที่จะต้องรับทั้งหมดนะแม้กระทั่งคนเจ็บคนป่วยคนทุกข์คนทรมานที่เราเห็นนะนั่นคือสิ่งที่เราจะเป็นถ้าเรายังไม่ออกเหมือนอะไรนะเหมือนอยู่ในในบ้านเมืองที่มีสงครามเนี่ย ถ้าหากว่าเห็นใครเขาพิการแขนขาดข า, ด ข, าดขาดเป็นต้นเนี่ยนั่นประกาศว่าเราก็จะเป็นในวัตตะในภูมิสามเนี่ยมันคือดินแดนของสงครามอยู่แล้วใช่ไหมในโลกนี้แผ่นดินตรงไหนไม่มีสงครามมีไหมจริงๆเลยนะสงครามจริงๆอะ่ะแผ่นดินตรงไหนมีบ้างที่ไม่เคยมีสงครามมาเลยเย็นสนิทมาตลอดไม่มีแม้แต่แห่งเดียวมีแต่ดินแดนแห่งการเข็นฆ่ากัน นะทุกแห่งมันก็คือป่าชาดีๆนี่แหละเป็นที่เข็นที่ฆ่ากันเมื่อเป็นดินแดนแห่งการเข็นฆ่าเนี่ยมันพ้นหรือถ้ามันถ้าอยู่ในสภาพหนึ่งถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเราจะเอาอยัางไงนะเพราะว่าไม่มีแต่ละคนจะไม่มีศีลธรรมจะไม่มีกุศลกรรมบทอะไรมาอยู่ในนั้นหรอกไม่มีเมื่อก็มีแต่การเขนมีแต่การฆ่ากันมีแต่อะไรกันนั้นสัตว์ทั้งหลายก็โครจรไปอย่างโลกที่อย่างประเทศที่สงบร่มเย็นมาเนี่ยนะ มีมีสักกี่ช่วงเนี่ยถ้าถ้าศึกษาตามประวัติศาสตร์แล้วยิ่งจีนด้วยเป็นประเทศที่สงครามมีมาตลอดเห็นไหมแทบจะไม่ค่อยสั่งซานะสงบถึงห้าปีบ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ละช่ว ง, แ ต, วงแต่ละช่วงเลยเนี่ยก็เพิ่งไม่นานนี่แหละที่สงบพอสมควรแต่ก่อนหน้านี้มาก็เดือดร้อนใครก็เพิ่งมาสงบเนี่ยช่วงรัชกาลหลังๆมานี่ไม่ไ ม, ไม่นานก่อนหน้านั้นก็สงครามมาตลอดนะนะเหตุระเหระเร่ร่อนกันตลอดนะเขีนฆ่ากันตลอดนั้น โลกนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละนยนะอ๋อในกลางเมืองอเลยอ๋อสงครามโลกอ่ะนะทำไมสงครามโลกก็ก็ไม่กี่ปีนี่เองใช่สมัยฟ้การที่ยังเป็นเป็นเด็กนนเนี่ยนะก็มีการกรุงเทพก็ถูกถล่มทลายอยู่เหมือนกันก็ไม่มีดินแดนใดที่สงบร่มเย็ยนสักเท่าไหร่นเนี่ยนะแม้กระทั่งพม่าก็เหมือนกันเนี่ยนะประเทศอินเดียก็เหมือนกัน แต่ละประเทศแต่ละประเทศก็เป็นดินแดนแห่งการเข็นการฆ่าการทะเลาะเบาแวงกัน